รูปขันนามขันนั่นเองขันลงสู่อนิจจังตามเดิมไม่ได้ขันไปทางอื่นทุกสิ่งทุกอย่างก็ขันลงสู่อนิจจังไม่ใช่ขันทะาก็ขันท่าก็ถูกคือรูปขันนามขันสติปัฏฐานสี่ก็ย่อนลงในรูปขันนามขันนั่นเอง ขั้นห้าก็ย่นลงในรูปขันนามขันนั่นเองตาหูจมูกเลี้ยนกายใจก็ย่นลงในรูปขันนามขันตาหูจมูกลี้ยกายกย่นลงในรูปขั น, น, ข น, จ น, ใ, น, ขนใจรนย่นลงในนามขันรูปขันนามขันอยู่ใต้อำนาจอันนี้จัง ที่นจะให้ปารบอะไรก็อบอกมาไม่รู้ว่าจะปารบอะไรฮะว่างไงก่ ให้ให้พรหรือให้ร่ำรวยเป็นสุพเจปันโนให้ร่ำรวยเป็นอุชุ ป, ปฏิปันโนให้ร่ำรวยเป็นยายะปติปันโนให้ร่ำรวยเป็นสามีกิปติปันโนร่ลำรวยต่ำข่านั่นลงมามันเป็นโลคีร่ลำรวยในสุพจจปันโนก็ไม่เสียดายอยากกลวงและเมื่อเชียนห้า ไม่เสียดายอยากเร่นอวายมุขไม่เสียดายอยากจะถือศาสดาอื่นไม่เสียดายอยากจะสาบแช่งท่านผู้ใดจะโกรธักเพียงไหนก็ไม่สาบแช่งไม่จองเวรอาฆาตจองเวรผูกไกเก็บไม่มีนั่นคือรวยถ้าไม่อย่างนั้นไม่รวยขาดทุนรวยเรียกรวยผาดรวยบัตรรวยเบอร์ไม่มีในทางพุทธศาสนา อาวายมุกทุกประเภทมันเป็นมนุษย์นิบัติไม่ใช่สวรรค์นิบัติไม่ใช่พรหมนิบัติเมื่อเป็นมนุษย์นิบัติแล้วความสวรรค์นิบัตรก็พรหมนิบัตรก็นนี้ผ่านนิบัติตเหมือนกันแต่ชาวโลกเราไม่รู้มันก็ต้องไปตามเรื่องของมันผู้ชี้รู้แล้วก็ไม่เสียดายเลยเรามาไกลก็ต้องเอาโลกุจระสิ เราจะหาเอาโลกีเราก็เอาอยู่ที่กรุงเทพมันก็ทมไปนี่ยแล้วมาไกลเราก็ต้องเอาซัพ์โลกุตระซับโลกุตระซั์มันดึงโลกีขึ้นได้เหมือนน้ำอะไรเหมือนอากาศมันดึงน้ําขึ้นในอากาศได้เหมือนเข็เทมทิศเหมือนทิศเหนือมันดึงเข็มทิศขึ้นได้เหมือนน้าห้อยน้องคองเมืองบางต่างๆมันดึงน้ำหาสชุดมัน เหมือนน้ำหาซุดสมุทรทะเลมันดึงน้ำให้หน้องคลองบึงบางต่างๆไรลงสู่ได้พระพุทธศาสนาไม่มุ่งโลภุตระแล้วมันก็ไม่คุ้มค่าถ้ามุ่งโลกีอยู่ที่ไหนมันก็มุ่งกันแล้วเนี่ยนางงามนางงามในทางระพุทธศาสนา ชายงามในทางพระพุทธศา ส, สนาไม่ไม่เลือกชั้นวันนะไม่เลือกอผู้นอ้อยผู้ใหญ่สามีกิปฏิปันโนเป็นนางงามเป็นชายงามชั้นที่หนึ่งยายะปฏิปันโนเป็นนายงามเป็นชายงามนางงามชั้นที่สอง อุชุปเทปันโนเป็นนายงามนางงามชั้นที่สามสุปเทปันโนเป็นนายงามชั้นนางงามชั้นที่สสุปเทปันโนตามก่อนนั้นลงมาจะเป็นนายงามจักราวาลก็าตามนางงามจักราวาลก็าตามก็คือนางงามนะชายงามบันเทิงกิเลส พวกเราชาวพุทธอย่าไปยินดีในทางนุ่งน้อยห่มน้อยเน้อมันเสียเกียเน้อถ้ายินดีในทางนุ่งน้อยห่มน้อยน่ะนานเข้านานเข้าเขาจะยินดีในการไปนุ่งผ้ากันละถูกไหมผมเห็นดีว่าไม่ต้องนุ่งมันเปลืองเดี๋ยวจะพูดอย่างนั่นแ่ะแต่อาิเลตมันโกหวะละทีนี่ มันก็เต้นระบบมไอกิเลตทางธรรมะก็อ่อนข้อพินหลังใส่นี่คนอื่นจะทำก็าตามแต่เราชาวพุทธอย่าไปยินดีชาวพุทธไปยินดีอย่างนั่นล่ะเสียเกียรติเสียยศเสียสถาบันของจิตใจสถาบันของพุทธศาสนาก็คือคจิตใจ สถาบันของบาปก็คือใจเหมือนกันสถาบันของมิจฉาทิฐิก็คือใจสถาบันของพุทธศาสนาเป็นสถาบันที่สูงคือจิตใจที่ประพฤติในทางธรรมะของพุทธศาสนาที่นี่จะมีทุเอะไรก็ทำเส่นก่อนจึงพูดกันใหม่ เี ย, เยก็ต้องการถวายก็ถวายซะจะว่าคำถวายก็ถวายสักเจนี่ เรื่องกรรมฐานท่านผู้นใดสงสัยอะไรก็ปาราลบมาเรื่องกรรมฐานถ้ามีปัญหาอะไรก็ปาราลบมามีปัญหาอะไรบ้างมีปัญหาอะไรบ้างมีปัญหาอะไรบ้างก็ปาราลบมาถ้าอย่างนั้นก็ไม่ถูกความประสงค์ได้เราจะดำเนินวิญญาณยาเป็นศุกร์เออ ดำเนินตามคําสอนของพระพุทธศาสนาก็เป็นสุขสุขของเครือขัดมีอยู่สี่อย่างหนึ่งสุขเกิดแต่ความมีทรัพย์สองสุขเกิดแต่จ่ายทรัพย์บริโภคสามสุขเกิดแต่ความไม่เป็นหนี้เป็นศินสี่สุขเกิดแต่การงานที่ทําปฏิจจคติโทษสุขในฆราวาสสุขในบรรพชิตสุขในพระพุทธศาสนาสุขในโลกุตตระ สุขถึงพระโสดาบันสุขถึงพระสกทาคามีสุขถึงพระอนาคามีสุขถึงพระอรหันต์อันนี้เป็นสุขในทางโลกุตละเมื่อเป็นสุขในทางโลกุตละแล้วมันดึงโลกีไปด้วยถามอีกใชนไหม อ <ops? S 2> พียพี้ยมาหลอกอย่างนั้นเนี่ยเวลานอนถ้านอนเอามือข้างอกนี่ก็มักจะเป็นถ้านอนหมอน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 นอนเป็นเรียกว่าหลับคาภาวนาภาวนาพุโทโธพุโทโธอยู่สมมติว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่งอยู่นี่นั่งอยู่ในกายในใจของเราเนี่ยมันก็บมดเรื่องไม่มีหลอกผีเราไปนึกล้องเรียกมันมามาให้กลัววิธีระงับความกลัวของถือผีมันก็มีลหลายอย่างกลัวผี เมื่อจิตไปนึกถึงผีจิต ก, ก็ไม่กลัวถ้าจิตฉลาดทาไมจึงไปนึกถึงเรื่องกลัวมาอันนี้เอาสดสดก็ได้สมบัติของจิตมีแต่กลัวผีนั่นหรือสมบัติของจิตมีหลายอย่างเราไม่ได้นึกถึงกลัวมันก็ไม่กลัวเลยถ้าจิตฉลาดทาไมจึงไปทาให้ตนกลัวอันนี้ก็เอาสดๆก็ได้แต่ก็มีหลายอย่างที่ไม่กลัว น, นึกถึงคุณพระพุทธธรรมประสงค์เทาั้หละ่ะอันอื่นไม่มีหล้กเธอทั้งหลายไปอยู่ป่าก็ดีเธอทั้งหลายอยู่บ้านก็ดีเมื่อเธอนึกกลัวแล้วเธอจึง น, นึกถึงคุณพระพุทธธรรมพระสงค์อันใดอันหนึ่งความกลัวก็จะหายไปในชะะัชะชักข่าสูตรบอกแล้วเอวัมพุทธทางสรันตานังธรรมังสร้างคันจะภิกขโวพยังวา ชัมพีตัดตังวาโรมหังโซนาเหตุสติติผู้ใดระลึกถึงคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์อันใดอันหนึ่งอยู่ความกลัวของเธอก็จะหายไปชิงเหตเหตุที่จะให้เกิดกลัวของเธอก็ไม่มีพระบรมศาสราาา์บอกไว้ในชัชกสูตรแล้วทีนีพารบอะไรอีกทีนี้ พูดดังๆหน่อย น, นั่งสมาธินานๆแล้วก็หายใจไม่ออกแน่นนะโอกบางคนเราก็ตอบอยากเนี่ยเพราะเราไม่เคยเป็น <laughs> เราไม่เคยเป็นเราก็ตอบอยากเราจักตั้งจิตหายใจเข้าเราจาักตั้งจิต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 เราไปหายใจเราไม่อยู่ในกรรมฐ า, านเดิมนี้จากกรรมฐ า, านเดิมเราไม่เคยเป็นเราก็ตอบยากนะเนี่ยหายใจฝืดอย่างนั้นเลย มันไม่ใช่บุปกรรมไปบีบคอเขาหรือถ้าเป็นดอกยังไงเขาช่างมันยานี้จากอาจารย์เดิมยานี้จากอาจารย์เดิมให้เชื่อจะอาจารย์เดิมกรรมฐานที่เราตั้งไว้นั่นเองเป็นอาจารย์เดิมเราอย่าไปวันหวันไว้ไปทางอื่นกรรมฐานที่เราเราตั้งไว้นสําคัญมากเราต้องมีสัตว์ในกรรมฐานที่ตั้งไว้ต้องมีกรรมฐานใน ต้องมีอธิษฐานในกรรมฐานที่ตั้งไว้สัจจะความจริงใจคือเผะพฤติ์กรรมฐานสิ่งใดก็ให้ใดจริงจ้าคสระสิ่งที่เป็นค่าสึกแก่ความจริงใจฉันทะพอใจรักใคร่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิญยะเพียนมันประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้ จิตตะเอาใจฟักใยในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิมังสามันตริตองพิจารณาเหตุผลในกรรมฐานที่ตั้งไว้คุณที่อย่างนี้มีบริบูรแล้วอาจชักนําบุคคลให้ถึงสิ่งที่ต้องประสงค์ซึ่งมีเหลือวิสัยศรัทธาความเชื่อในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิทยะเพียรในกรรมฐานที่ตั้งไว้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 ปล่อยให้มันหายใจตามธรรมดาของมันลมหายใจเข้าออกนี่แหละเป็นกรรมฐานเลิศในทางพุทธศาสนาพระบรมศาสตราสอนว่าศาสนราอื่นไม่มีลมหายใจเข้าออกมีแต่ศาสนาพุทธเท่านั้นกายกระตาสติพิ้งพิจารณาพิจารากายก็เหมือนกันมีแต่พระพุทธศาสนาเท่านั้นศาสนาอื่นไม่มีส่วนเมตตาพรหมวิหารก็นนี้หรืออันอื่นก็มีกรรมฐานอื่นมี อสุภะกรรมาฐานก็คือกายกรมยกรมาฐานนั่นเองพิจารณากาให้เป็นอสุภะสุพังลมหายใจเข้าออกก็คือกายกรรมาฐานนั่นเองเวทนากิตตาธรรมานุปัสนามีพร้อมถ้าพูดเจริญลมหายใจเข้าออกแล้วก็บริบูรณ์ในสติปัฏฐานสี่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 พ่อมกับลมหายใจเข้าออกเขาจะว่าฏฏามานวัฏนาทติประฐานสี่บริบูรณ์ด้วยอาณาปณะสติอาณาปณะสติดึงกรรมฐานอะไรมาก็ไม่คัดข้อดึงอนิจจังทุกครั้งอนัตตามาก็ไม่คัดข้อไม่ต้องการดึงก็ไม่คัดข้อแปดหมื่นที่พระธรรมขันธ์รวมลงอยู่พ้อมกับลมหายใจเข้าออกแล้วพูดเป็นสังขะ ผู้เป็นสังฆาห์ในไม่พูดเป็นคําพีกระจายพูดเป็นเอกานิบาตพูดเป็นเอกวัจนะไม่พูดเป็นพระหูวัจนะย่นลงมาเป็นเอกานิบาตในปัจจุบันกรรมฐานใดๆก็ตามถ้าไม่ลงมาในปัจจุบันมันก็ไม่ชัดพิจารณาทุก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 มันเกิดขึ้นที่ไหนมันก็แ ป, ปรปรวนในที่นันก็แตกกระายในที่นั่นเราก็เห็นพร้อมกับลมหลายใจเข้าออกแล้วก็หมดปัญหากันนั่นมันเกิดขึ้นแ ป, ปรปรวนระดับไปแล้ว น, ะนั่นนึกขึ้นมาก็เป็นอดีตไปแล้วพูดออกมาก็เป็นอดีตไปแล้วนั่นคืออนิจจังอันละเอียด เมื่อมีอนิจจังอันละเอียดก็มีทุกอันละเอียดทั้ยพยศอยู่ด้วยเธอจะรู้ตามเป็นจริงหรือไม่รู้ไม่เป็นปัญหาก็ไม่ใช่ตัวตนเราเขาสัตว์บุคคลอยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างในใจโลกธาตุมันเป็นยาเสพติดถ้าเรามีกิเลสมากก็เป็นยาเสพติดมากถ้าเรามีกิเลสน้อยก็เป็นยาเสพติดน้อยถ้าเรามีไม่มีเช่เลยก็ไม่เป็นยาเสพติด นึกคิดยืนเดินนั่งนอนเป็นยาเสพติดถ้ามีเรามีเขาไปสัมพยพยศอยู่ถ้าไม่มีเรา ม, มีเขาเป็นสัมพยพยศมีเป็นแต่เสียเพียงว่าสักสังขารเป็นแต่เพียงว่าผู้รู้เป็นแต่สักว่ารู้เป็นแต่สักว่าเห็นเราเขาในที่นั้นมันก็ไม่มีมันก็ทําลายไปในตัวมันก็ว่างไปในตัวถ้าเรารู้ตามเป็นจริงแล้วมันว่างไปในตัวมันถ้าเราไม่รู้ตามเป็นจริงมันก็ไม่ว่าง ไม่ใช่ว่าว่างเราจะไปทำให้มันว่างเรารู้ตตามเป็นจริงตอนไหนมันก็ว่างตอนนั่นเรารู้ตามเป็นจริงว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลมันก็ว่างถ้าเรายืนยัน่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลอยู่มันก็ไม่ว่างถูกไหมดินเป็นแต่ว่าดินน้าเป็นแต่สัว่าน้ำไฟเป็นแต่สัว่าไฟลมเป็นแต่สว่าลมกายเป็นแต่ว่ากายเวทนาเป็นแต่สัว่าเวทนาจิตเป็นแต่ว่าจิต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 คำว่าเราก็จริงตามเราคำว่าไม่ใช่เราก็จริงตามไม่ใช่เรามันเป็นมันเป็นธรรมเล็กกว่ากันสิิงไหนที่ถูกเขียนสิ่งนั้นก็ต้องถูกรบสิ่งไหนที่ถูกกินสิ่งนั้นก็ถูกทายสิ่งไหนที่ถูกได้สิ่งนั้นก็ถูกเสียเพราะมันเป็นโลกส่วนพระนิพพานมันยืนยันว่าได้ว่าเสียนะ มันพูดสูงเกินไปกับมังเอา้าถามมาอีกครับหลวงปูครับผมขอเรียนถามนะมีบางคนนะครับชอบวิตกกังวลในเรื่องงานบ้างเรื่องครอบครัวบ้างและก็ทําให้จิตใจฟุ้งซ่านไม่เป็นสุขนะะจะทําอย่างไรจรึงจะขจัดความวิตกกังวลให้หมดไปได้จากจิตใจพระบรมศาสดาไม่ได้สอนให้ไม่ได้สอนให้งดในการงานสําหรับคาวาะอุทษาตาวินทเตทนงัง ผู้หมันย่อมหาทรัพย์ได้การงานที่บริสุทธิ์เราก็ต้องทําถ้าไม่ทําไม่ได้เพราะชีวิตเนื่องด้วยการงานไม่เหมือนพระพระเราไปขอเขากินมันได้โยมไปขอเขากินเขาไม่ให้เนอมันต้องทําวิตริป a r a m สัมปโนคือความเพียรขันติป a r a m สัมปโนอดทนต่อความเพียพรของเราทั้งการงานเหมือนกันมุทขาาวินทเตชนังคนหมั่นย่อมหาทรัพย์ได้ มันในการงานที่ชอบไม่ใช่มันเล่นเลขเล่นผาเล่นบัตรเล่นเน บ, เนเนบอร์มันในการภาวานาก็เป็นการหมั่นในทางที่ชอบหมันในการรักษาศีลภาวานาถึงว่าพระธรรมประสงความหมั่นนี่กินความกว้งถึงการงานทั้งวัตถุนิยมทั้งอุดมคติด้วยเราจะไปเอาแต่อุดมคติวัตถุนิยมไม่เอาไม่ได้มันต้องเอามันไม่เหมือนพระ ภาขอเขาที่ไหนก็ได้พวกคุณไปขอเขาไม่ให้ถ้ามันมีตังค์นั่นก็ต้องทําอย่าให้ถือเป็นกังวลเกินไปแต่ว่าเมืองพอไม่มีก็ไม่ถูกมีพอกินพอใช้ล้วก็ยอดก็อยาดตลีตาลานมากมีล้านแล้วก็อยากมีสี่ล้านห้าล้านพันล้านแสนล้านโกรดล้านแม้ก็ไม่ไหวอะไรอย่างนั้นเนี่ยอ่วเขาไม่สันโดด เมืองพอไม่มีมีพอกินพอใช่ล่ะเราก็ต้องห้ามเบข้ามรอ่บ้านเราก็ต้องสนใจในธรรมะให้หนักไปในธรรมะมากกว่าวัตถุนิยมวัตถุนิยมเราก็ชมว่าดีอยู่แต่มันอยู่ใต้อู้ของอเ น, นจังเราก็ต้องรู้ตามเป็นจริงของมันซักได้มาในทางที่ชอบเราไม่ได้ไปชอบไปโกงใครอันนั้นเราก็ใช่สะดวก ถ้าได้ดามาในทางที่ไม่ชอบจะได้เต็มแผฟ้าแผ่นดินก็เรียกว่าได้ของที่ไม่ชอบเรียกว่าได้ไฟมาไม่เจ้าของเดี๋ยวก็เดือดร้อนสิ่งนี้นที่ได้มาแล้วเดือดร้อนสิ่งนั้นไม่ควรเอาสิ่งนั้นไม่ควรสมแงหาสิ่งไหนที่ได้มาแล้วไม่เดือดร้อนสิ่งนั้นก็จงเป็นมงคลเราไม่ชอบโกงใครเราเบี่ยงเวลาออกงูนเราทํางานแล้วก็ภาวนาได้อยู่เหมือนกัน สัมมากัมมันโตการงานชอบคือเว้นจากกายทุจริตสามสัมวาวายาโมเลี้ยงชีวิตชอบคือเว้นจากเลี้ยงชีวิตในทางที่ผิดอบายามุกเลี้ยงชีวิตในทางที่ผิดเนอ้อนันสัมมาสติระลึกชอบคือระลึกในสติปัฏฐานชั้นสี่ที่ย่นลงเป็นสองมีกายกับใจ ปาล็อปเอกสิปาล็อะไรอีปรกปาล็อปให้มันคุ้มค่าที่ปีนขึ้นภูสิ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 ผูประทานทั้งปวงก็แตก่กระจึงกรรมฐานทั้งหลายมันรวมอยู่แล้วแต่เราไม่ยอมรวมเช่นความแก่ความเก็ บ, ค ว, กบความตายอย่างนี้มันก็รวมอยู่แล้วแต่เราไม่ยอมรวมให้มันมันไม่ลงธรร ม, มารเรียกว่ามันรวมอยู่ แกเจ็บตายมันกลมอยู่ลมหายใจเข้าออกมันกดจริงอยู่ไม่มีการมากงินงคืนแต่เราไม่ยอมรวมให้มันไปฝืนมันโอ้พระบรมศาสตร า, าไม่ทรงพยากรพรุ่งนี้มีไหมพรุ่งนี้ก็มีวันนี้มีไหมมีแต่มันรวมไปแล้วพรุ่งนี้มีไหมมี แต่มันไม่ยังไม่มาถึงมันมีอยู่ชาติหน้ามีจริงปัจจุบันชาติไม่มีอตีชาตชาติก็ต้องมีอนาคตชาติก็ต้องมีพราบรมศาสตร์แสดาไม่พยากรณ์แต่ว่าเราพยากรณ์ชาติหน้าก็ต้องมีปัจจุบันชาติก็ต้องมี ผู้ถามหาชาติหน้าผู้นั่นก็เอาชาติหน้ามาถามผู้ตอบก็เอาชาติหน้ามาตอบอย่างนั้นกันอันเดียวกันถ้ามีกิเลสอยู่ก็ต้องมีสิชาติหน้าถ้าไม่มีกิเลสอยู่ก็ไม่มีแต่ว่าทรัพย์อื่นมีอยู่ผู้ึผู้อื่นมีอยู่ชาติหน้าถ้าหากว่าเราพ้นทุกข์แล้วชาติหน้าก็ไม่มีถ้าเราไม่พ้นทุกข์ยังมีกิเลสอยู่ชาติหน้าก็ต้องมี เพราะเรายังไม่พ่นจากกิเลสก็ต้องมีอยู่ชาติหน้าถ้าเราพ่นแล้วก็ไม่มีชาหน้าต่อแบบนี้เพื่อเข้าให้ให้เข้าใจง่ายอะไรพาไปเป็นชาหน้าก็โรคกวดหลงนั่นเองกลายเป็นชาหน้าถ้าโรคกวดลงไม่มีเราก็ไม่มีชาหน้าถ้าโลกโรคปวดลกของเรามีอยู่เราก็ต้องมีชาหน้า ออตายแล้วไปไหนไปตามกรรมและผลของกรรมแต่ละท่านละท่านเวลาจะตายไปเห็นแสงไฟไม่ใช่แสงไฟเพ่งกสิณเวลาใกล้จะตายไปเห็นแสงไฟกําลังเห็นฐานไฟก็ดีแดงลุอยู่ก็ดีไม่ใช่เราเพ่งกสิณเพ่งกสิณเป็นแบบนึ่ไม่ได้เพ่งแต่มันบงัง บรรดานในเห็นในเวลาใกล้จะตายตายในเวลานั้นยังไม่ได้พลิกจิตไปทางอื่นก็ไปตกนรกหมดกรรมมานั่นนานเทไรก็แล้วแต่กรรมจะพาไปจึงจะได้มาเกิดจึงจะพ้นเวลาใกล้จะตายปรากฏไปเห็นผนทางยังไม่ทันพลิกจิตไปทางอื่นก็ไปเกิดเป็นสัก์ที่ไดรฉาน ในเวลาใกล้จะตายไปเห็นคันมานรดาแต่ยังไม่ได้ทันพิจิตไปทางอื่นแล้วก็ชิ้นลมปลาในขณะนั้นก็ไปเกิดในคันมานรดาเวลาใกล้จะตายไปเห็นวิมานไปเห็นเทวบุตรเทวดาแล้วยังไม่ทันพิจิตไปทางอื่นแล้วก็ชิ้นลมปาในขณะนั้นก็ไปเกิดเป็นเทวบุตรเทวดา เวลาใกล้จะตายพิจารณาอานิจจังทุกขังอนัตตายอยู่แต่ยังไม่มียาณว่าเบื่อหนายก็ไปเกิดในภพมรรคมีอายุยืนอยู่ร้อยโกรดกับเวลาใกล้จะตายส่วนพระอรหันไม่เป็นอย่างนั้นเวลาใกล้จะตายไปเห็นร่างกายของตนเอง คณะคิดหนึ่งแล้วก็ไม่ติดข้องอยู่ทั้งอดีต ท, ทั้งอนาคตด้วยไม่ติดข้องอยู่ในผู้รู้ด้วยไม่ติดข้องอยู่ในที่ใดๆด้วยไม่สำคัญตัวอยู่ในกรรมฐานใดๆด้วยไม่อยู่ในรูปด้วยไม่ดูในอารูปด้วยไม่ได้เพ่งอะไรติดด้วยเป็นในศักวาลูปเป็นจะศักวาเห็นไม่ติดอยู่ในที่อันใดด้วยผู้นั้นเข้าสู่พระเดภานไปซักไม่ได้กลับมาอีก พาะไม่ติดอยู่ในผู้ลูกพ่อไม่ติดอยู่ในผู้แม่ลูก ไ, ไม่ติดอยู่ในที่ใดๆทั้งสิ้นพาะไม่วิญญาณไปที่ส้นทิของท่านไม่ได้ตั้งวิญญาณทิจิติทิจิตทิติจิตมันดับไปแล้วมันก็เข้าสู่พญพานไปซะท่านบอกไว้แล้วโหรเอกเพระบรมศาสีดาอะไรอีกที่นี่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 ถ้าถึงรสกทาคารีแล้วก็ไม่ไปทุกขติเหมือนกันถ้าถึงพระอนาคามีแล้วก็ไม่ไปทุกขติเหมือนกันถ้าถึงพระอรหันต์แล้วก็ต้องเข้าสู่พระนิพพานถ้าถึงพระอนาคามีในเวลาที่มีชีวิตอยู่นั้นมันก็ไปอวิหาอัตะปาสุตสาสุตเสียกานิธากาหรือาอย่างนั้นก็ไปอวิหารก็ปณิิธานในภพนั้นหรืออย่างนั้นก็ไปอัตะปาก็ปณิธานในภพนั้นหรืออย่างนั้นก็ไป สุดจัตสาก็ไปนิพพานในภพนั้นหรืออย่างนั้นก็ข้ามไปซะไปสุดจัตสาหรืออย่างนั้นก็ข้ามสุทจัตสาไปสุดสติปริยนิพพานในภพนั้นมันก็มีหลายจําพวกพวกพระอนาคามีมีหลายจําพวกแต่ไม่มีห้าจำพวกก็จริงแต่ละจําพวกก็ต้องมีตั้งร้อยๆตั้งกดโกดมัสสาวาวันมีสามจำพวกก็จริงแต่ว่าจําพวกก็แต่ละจําพวกก็ต้องมีตั้งล้านทีเดียว พระรัชกาคามีมีจำพวกเดียวก็จริงแต่และจำพวกก็ต้องมีตั้งรันราศแต่ก็มีตั้งรานรานทีนี้พระรหารมีสีจ่จำพวกก็ดีสุขวิปัตโกเตวิโชชละพนโนปิสัมพิสสะโตก็ดีแต่และจำพวกก็มีตั้งรานรานเหมือนกันถึงอย่างนั้นก็เท่ากับ ขนโคลเท่ากับเขาโคลส่วนขนโคลไม่ไม่นด้ไ ม, ไ ม, ไ, มไม่ได้เพราะบะรามศาสาดามาแต่ละยุคละยุกก็เท่ากับเทศนาเอาได้เท่ากับเขาโคลส่วนขนโคลไม่ได้อะไรอีกใชนีหมพี่หลวงปู่บอกว่าคนที่ใกล้จะตายจะมองเห็นถ้ามองเห็นไม่มานะจะเป็นเทวดา ถูกนี่ไม้ไมยความอาภุดุชนนี่มาก่อนผมอยากทราบว่าเทวดาที่ลวงปู่พูดนี้หมายถึยองอะไรแล้วก็ถึงจะติดอยู่ที่ไหนก็ไปตามกรรมของเจ้าของพวกเทวดานี่มีอยู่ชัติกาตูมหาราชก็มีมีอยู่ตามต้นไม้ภูเขาก็มีลูกขะเทวดาก็มีอแต่ว่าลูกขะเทวดาไม่ได้ไปหรอกเพราะมองเห็นวิมานแล้วก็ไป ตวัติสายามาดุสิตนิ ม, มานวัตติปริย ม, มีตวสวัตติชั้นใดชั้นหนึ่งให้ได้ส่วนผมม่อปราชั์ชาผมปรโรหิตาเนี่ยพวกนั้นตายคาภาวนาพวกนั้นตายคาภาวนาพวกนั้นผมม่นเป็นศรัทธาได้ไปชมอาจารผมมันปรโรหิตามหาพรหได้ไปมชมอาจารย อย่างสามันอย่างกลางอย่างละเอียดก็ไปเกิดใน ท, ท, ที่นี้พมัปรโลหิตามหาพมมหามัปรโลหิตาในทุติยฌานอย่างสามันอย่างกลางอย่างละเอียดพมัสชชาพมัปรโลหิตามหาพมมาปฏิตาปาพมัสชชาพมัปรโลพมัสชชาพมัปรโลหิตามหาพมหมาอเนปสมฌาน อย่างกลางอย่างละเอียดอย่างสามัญมหาพรมาปฏิตาพาระอปมาทาผาตายคาทุติยะฌานอย่างสามัญบ้างอย่างกลางบ้างอย่างละเอียดบ้างอปมานาพระภัสราปฏิตาสุภาเป็นฌานชั้นที่สามอย่างกลางบ้างอย่างหยาบบ้างอย่างละเอียดบ้าง อสัญญาัตตาเวหพร า, พาจะทุตชาญอย่างกลางมากอย่างหยาบมากอย่างละเอียดบ้างส่วนอวิหาอัตปาสุสาสุตเสีนั่นเป็นชาญของพระอนาคามีอะ ส่วนพระรหัได้วยเป็นอย่างนั้นไม่ได้อยู่ในชาตใิใดๆเลยพระรหัสด้ไม่ได้ติดอยู่ในริปัชนาใดๆเลยทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยเพราะมันพ้นไปแล้วอือหนูตราบใดทุกไม่มีใครจะมาเปลี่ยนแปลงได้ศาสารพระุทธประจําโลกอทุกยุคทุ ก, ทกสมัย ใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่เป็นปัญหาใครจะให้คะแนนหรือไม่ให้คะแนนก็ไม่เป็นปัญหาพระจำโลกอยู่ทุกยุคทุกสมัยทุกการทุกเวลาพระพุทธเจ้าล่วงไปแล้วมากกว่าร้อยโกดจะมาในข้างหน้าเขามากกว่าร้อยโกดแต่ล่วงไปแล้วก็อาศงไขอาศงไขกลับแล้วถ้านับเป็นกลับก็อสศงไขอสศงไขจะมาในข้างหน้าก็อาศงไขอสศงไขกลับเหมือนกันศาสนาพุทธพระจำโลกอยู่ทุกยุคทุกสมัยเลยฮะ ไม่อยู่ตลอดไปไม่อยู่ตลอดไปแม่ขาดเลย<ม>เป็นศาสนาที่หนึ่งด้วยทไมมีผู้กล่าวว่าุะา ย, ายพุทธเจ้า ว, นะวาุอายู่ในโลกนี้ันปีเอออันนั้นหมายความว่าเป็นยุคเป็ น, th, นยุคเฉยๆหรอกอจะมีผู้ปฏิบัติอยู่ห้าพันปีนอกกนั้นก็ไม่มีผู้ปฏิบัติ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 นี่ยังอีกภาษียเมตไตจะมาเนี่ยในกลับนี่กับนี่ก็กักุสันโธออกกกุสันโธมากกโกนาคมโนแล้วก็กัตชะโปแล้วก็โคธโมยังสีเอญยะเมตไตยโยเ อ, อกจะมาเนี่ยหมดผู้ปฏิบัติศาสนาภาษียเมตไตรจิงจะเป็นศุนยะกับไฟจะไม่โรคหมดนะแต่ผู้ที่เสวย พ ม, ม่าโลกเขาก็หนีไปหนีไปอยู่ที่พ ม, มาโลกเขาก็อยู่ที่นั่นไฟไม่ไหม่ถึงพ ม, มาโลกพ ม, ม่าโลกขั้นสูงไฟไม่ไม่ถึงมนุษย์โลกไม่มีมนุษย์โลกวามีม สัตว์ที่มีชาญมียานเขาก็ไปอยู่จักรวาลอื่นเพร า, ราะว่ารามาสตราทรงพนามาโรก็ไปถูกแปลว่ารู้แจ้งโลกมดวานนี้สงสยัยทีนี้พวกนี้จะไปไหนพวกนี้ จะไปทางไหนโอ้จะกลับโคราชหรือพวกนี้ฮะพวกพวกนี้ออกออกจากวัดน้อยจะไปไหนพวกนี้มากี่วันแล้ว ภาวนาไปนะ่ะมีมีวิธีโยนีสี่ทุกทวนหน้าจงเป็นสุขในพุทธธรรมสงู่ยทุกเมา่เทืนไม่มีใครทำลายหรอกขอเป็นมิตเป็นสาอยู่ทุกเมื่อขอปาศิจากเวียนไทยอยู่ทุกเมื่อ โยนี้สี่ทุกต้นหน้าจงเป็นสุขแล้พุทธธรสงศ์อยู่ทุกเมื่อเทินพอรอความลมให้ใจเข้าออกก็ไม่มีใครทําอันตรายหรอกโยนี้สี่ผู้เกิดในคันในไข่ในเ้่าในใครจะเกิดกุดขึ้นจงเป็นสุขแม้พุทธธรสงศ์อยู่ทุกเมื่อเทินบุตรกรรมที่ต่ออยู่ให้รับาคากันไม่มีอันตรายหรอกเพราะปารถนาให้เขาเป็นสุขสุข แผ่เมตตาแผเมตตาจนลงถึงอนัตตาธรรมพระบรมศาสดาแผ่เมตตาถึงชา้าเออเธอจะมาเบียดเวียนเราเราแผ่เมตตาถึงเธอเกรงว่าเธอจะเบียดเบียนเราเกรงว่าเธอจะได้รับทุกข์ข้าตัวนั่นก็หน้าตาไหลเลย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 แั่พเมตตาเลยเราก็ดีท่านผู้อื่นก็ดีสิ่งที่มีเวียญาณของสิงทั่วทั้งใจโลกธาตุจงเป็นสุขในพุทธคำสงฆ์อยู่ทุกเมื่อถือบฏิกรรมอย่างนั้นก็ถูกไม่ต้องว่าสัเพสตาที่จะตาหุนาาห่นตัสัเพสตาเวลาหุ่นตัเราไม่ต้องพูดอย่างนั้นก็ได้เอาภาษาไทยล้วนๆนี่เองมันจึงชัดถ้าเราแปลไม่ได้มันก็ แค่เจ้าขายกินข้าวเอากล้วยมันไม่ไม่หลุดโยนนี้สิ่งที่วิญญาณคลองสิงทว่าทั้งตจโลกธาตุจงเป็นสุขในพุทธธรรมสงศ์อยู่ทุกเมื่อถือนะสุขในพุทธธรรมสงศ์เป็นสุขก้าวหน้าสุขในพุทธธรรมสงศ์คือสุขในพระสวัสดิวันสักทาคาเมียนาคาเมียพนเราอวยชัยให้พรเป็นสุขในพุทธธรรมสงศ์เราไม่ได้เราไม่ได้หมายว่าเรามีอํานาจวาสนาจะแผ่ให้ผู้อื่นเป็นความสุข จงเป็นสุขในพุทธธรรมสงเราอาศัยพุทธธรรมสงมาเพล่นะเราไม่ใช่ว่าอำนาจวาสนาของเราไปแพล่จงเป็นสุขในพุทธธรรมสงอยู่ทุกเมื่อเถือนเราดียังไงจะให้เป็นผู้อื่นสุขแล้วก็เอาพุทธธรรมสงออกมาอ้างจงเป็นสุขในพุทธธรรมสงอยู่ทุกเมื่อเถิน่นนะแล้วก็มีปัญญาสิอนัตตาธรรมที่ไม่มีเวรภยัย อนนาอนาตาัตตาจิตที่ไม่มีเวรใน่ภัยอนัตตาธาตุที่ไม่มีเวรไมภัยไม่มีเวรไม่มภัยแล้วก็แผ่ลงจนถึงอนัตตาธาตุอนัตตาธร ร, รมอนัตตาขันก็ถูกเหมือนกันนั่นเขาเข้าแผ่เหมือนกันนะพูดพูดอีกยังไม่เข้าใจคําพูดครับ เราก็แผ่ได้เหมือนกันเขาไม่รับก็ตามเขาไม่รับก็ตามก็เป็นเรื่องของเขาเขาไม่รับก็ตามเป็นเรื่องของเราที่ไม่มีเวรในภัยเขาจะตีมือมาก็ตามเราไม่เอานี่รับมันก็ไม่เป็นเออทั่วทั้งตโลกกระทักเลยสัตว์ที่ไม่มีแรงข้อมือก็มันมันไม่รู้เอหน่วยเดียเหมือนกันเราแผลให้เขาเป็นนามที่ฝนตก มันก็ต้องตกเมื่อฝนตกลงมาแผ่นดินก็ชุ่มเมตตันจะสะะัพพโรคัสเมงมานะสัมภาวะเยะโพธิมานังทั่วทั้งไตโลกธาตุเลยช่างเบองบนเบองต่ำเบองขวางสถา น, านสถานกลางเพเมตตาสบายกิบสบายมากกิบเป็นสมาธิง่ายเหมือนกันเพรเมตตาโยนีสีทุกต้นหน้าผู้เกิดในคันในไข่ในเ ข, ข, ข้าในไขได้เกิดพุดขึ้น จงเป็นสุขในพุธทธธรรมสงฆ์อยู่ทุกเมื่อเทินสิ่งที่มีวิญญาณคลองเสียงทั่วทั้งใจโลกาจงเป็นสุขในพุธทธธรรมสงฆ์อยู่ทุกเมื่อเทินเราแผ่อย่างนั้นเราอาศัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหมือนกันน้อยเดชคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงเป็นสุขทุกท่านหน้าทั่วทั้งใจโลกาอยู่ทุกเมื่อเทินแผ่อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันวริกรรมติด ต, ต่ออยู่จนลี่นแม่กระดุกไม่หนักอีกซะด้วย โกรธก็ไม่โกรธง่ายเน้อที่เราไปมองดูคนนั้นคนนี่น่าเกลียดน่าโกรธเพราะเราไม่แผ่เมตตาแล้แผ่เมตตาเราก็ไม่โกรธที่เราชอบโกรธไม่ถูกกับธาตุคนนั้นไม่ถูกกับนิสัยของข้าคนนี่ไม่ถูกกับนิสัยของข้าก็เพราะเราไม่แผ่เมตตานะถูกไหมมองเห็นแล้วน่าเกลียดเหลือเกินนั่นก็เพราะเราไม่แผ่เมตตา ถ้าเราแผ่เมตตาแล้วมันแตกกระเจิงหมดเรารักชีวิตของเราไหมเรารักชีวิตของเราไม่ไมมผู้มาทําร่ายแก่เราเราเราชอบไห้เราก็ไม่ชอบสัตว์อื่นก็เหมือนกันเราเอาเราเป็นพยานเช่นก่อนถ้าเราเอาเราเป็นพยานแล้วเราก็แผลเมตตาเช่เนี่ย ถ้าเราไม่เอาเราเป็นพยานเราแผ่เมตตาเขาค่ายคับว่าพายเรือตัวน้มไหลมันไม่ไปลุงปู่มาได้ทิ้งเนอะแผ่เมตตาแผ่อยู่ไม่แผ่เมตตาลุงปู่อยู่นี่ไม่ได้ถึงสาม้าปีหรอกอันตรายสารพัดระ กุศลพ้บุญที่ข้าพเจ้าเนี่ยทำแล้วในะพก่อนก็ดีในปัจจุบันนี้ก็ดีเลิกได้ไม่เลิกได้ก็ดีข้าพเจ้าจะอุทิศให้ผัวงโลกทั้งสิ้นทุกทันหน้าอยู่โดยทุกเมื่อเขาจะได้รับหรือไม่ได้รับก็ตามเป็นหน้าที่เราจะให้เอโยนี้สีทุกทันหน้าจงได้รับกุศลผลบุญที่เราได้สร้างไว้ในพ ก, ก่อนกนก็ดีและเลึกได้ไม่เลิกได้ก็ดีข้าพเจ้าขอเป็นมิตรเป็นสหายทั่วทั้งใจโลกธาตุอยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณนั่นเถิดนะ เลืวเลกได้ไม่เลิกได้ก็ดีขอผูกขาดจองขาดอย่าได้มีเวเนัยเข่กันและกันทุกตอนหน้าอยู่โดยทุกเมื่อเทินอันนี้ก็ถูกเหมือนกันมันขึ้นอยู่กับความฉลาดของเราหรอกไม่หาแต่ว่าสัพเพสตาทุกีตาหุนตุสัพเพสตาเวลาหุนตุสัพเพสตาพยาหุนตุสัพเพสตาเนกาหุนตุสัพเพสตาทุกยตนาภูนะเรามีสัพเพสตาสัพพะทุขาประมุนจันตุสัพเพสตาสภาทุขาสัมพจิตุติดโตมาวิคัตจันติ ถ้าเป็นสตากามาสการรมารายราดากรมาโยนิาานาานยกรรมวัตุกมวัติสรณาอย่างกรรมังฤทิ์สรามีกัลยาณ์นวาวาปกังวาทัศรายาดาพระเวทสั้นติตัศรายราโดพะเวทสั้นติเราไม่หาว่าอย่างนั้นหรอกทุกทันหน้าทุกทันไตโรกาจงเป็นสุขในผู้จำ ส, สงอยู่ทุกเมื่อเทินบุญสนผลบุญอันใดที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วได้สร้างแล้วก็ดียังจะสร้างไม่สร้างหน้าก็ดี หรือจะทำอะไรออกมาในพบก่อนก็ดีขอท่านทั้งหลายทุกต้นหน้าจงได้รับส่วนกุศลของข้าพเจ้าทุกต้นหน้าอยู่โดยทุกเมื่อถือขอพระทศจากเรยนภัยอยู่โดยทุกเม่มันก็ขึ้นอยู่กับโวหารของเราความฉลาดของเราดอกกันเนี่ยเข้าใจนะทีนี้ อ, อุบายใดเราจะไม่มีเวรไมีใครกับผู้ใดเราก็ต้องทำสิ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 กามเยสุริเนยะเยทางนะฮิชาตุขัาพเจ้ยังพุนาเรตีติผู้นั้นจักไม่มาเกิดในคันอีกโดยแท้ทีเดียวผู้จเจริญเมตตาดับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขฝันก็ไม่เห็นลามกันชวลายตายก็ไม่ได้ตายหงไม่ได้ตายด้วยเชียวไม่ได้ตายด้วยงาไม่ได้ตาย ด้วยสาตราอาวุธตกน้ำไฟไหมลมพัดพอโดยใจความก็คือไม่ได้ตายหหงเพราะเจริญเมตตามีมิตรมีสหายเขานึกจะฆ่าจะแกงเราอย่างนี้กระแสอันนี้มันประหาเขาแล้วมันก็มาฆ่าไม่ไม่มาหรอก เพราะเราไม่ตอบเขาแผ่เมตตาทิดถิินจะอนุปัฏฐมัสสีตะวาผู้นั้นเป็นผู้มีศีลดัชเซนซัมปปโนเป็นผู้เห็นชอบแล้ว กามีสวิเนยะเยทางนะฮิชาตุคขปเสนยังพูนารีทีดย่อมไม่มาเกิดในคันอีกโดยแท้ทีเดียวแปะเข้าสู่พัญพาในพมะโลกไม่ได้ลงมาพวกนี้ไม่ได้มาเกิดอีกไม่ได้เกิดในคันอีกไม่ได้ลงมาแล้วพวกนี้พวกตายคาไม่ตา เพราะเมตตาในทางพุทธศาสนาจงเป็นสุขในพุธทธธรรมสงฆ์อยู่ทุกเมื่อหมายความว่าเราเมตตาในทางตางพุทธศาสนาแต่เมตตาในทางฤาษีลงมาเกิดอีกเนอะลงดพวกฤาษีต้องมาเกิดอีกเมตตาในทางพุทธศาสนาไม่ลงมาเกิดอีกข้าพเสยอย่างพุณเร ต, ตีติกรณียเมตตาสูตรมันมีอยู่สูตรของเมตตา จกะกลับแล้วหรือเชนี่เอาล้วหรือเชนี่เอาลรอนจสเออครับมี้มวถามว่าาันุนาไม่เป็นไม่เป็นตีอาว้แตานจะันอะไรชีรบสิ ดอกบัวสีเหลาก็มีอยู่ทุกยุคทุกสมัยดอกบานก็บานเต็มภูมิดอกตูมก็ตูมเต็มภูมิดอกเสมอหน้ําก็เสมอน้ําเต็มภูมิดอกใต้หน้าก็ใต้หน้าเต็มภูมิดอกบัวสีเหลาไม่มีแต่ข้างพุทธกาลเนอนะข้างนี้ก็มีอยู่ท่านเทียบดอกบัวสีเหลาในข้างพุทธกาลก่อนที่จะมาปลูสัตว์เออดอกจะบานก็มีดอกจะตูมก็มีดอกตูมก็มีดอกบานก็มีเอ่อดอกตูมก็ค่อยๆครับว่ากําลัง ถึงพระยังกำลังจะถึงผะสวยดาวันบอดอกที่เกือบจะบานก็ค่ายๆาเขาสักคาคามีอนาคาไม่ดอกที่บานแล้วก็ค่ายกับพระอาหันดอกที่อยู่ใต้หน้าก็เหมือนคนที่ถือไม่มีบาปไม่บุญนะ้มอให้อพรอให้พรยรอื่าอีกอนนหรอย่างนั้นเลย ยะถาปริว่าภูราปฏิปเรนติซาขลังเอวเมวอีตูินังเอตารังมุปกบรปฏิจิตังปติตังตุมังคีเมวัสเมจตุสเพปูเรนดูสังขปากันโทพปนารโสยะถามณีโชตีรโสยะถาสพีติโยวัจจันตสัพทุโขสัพพโยสุพโรโววินัสตุมาเตภวตุวันตรายูสุขีตีคาโโภภวอภิวาชนศีลิสนจังวุฒาปายญู ยัปตาโรธรมาวัชานติอายวันโอทุขังพลังสิริทิติมติเตโชให้พรทั่วทั้งไตยจักรวาลเลยมงคลจักรวาลสัพพุท ธ, ธาเป็นมงคลจักรวาล น, น้อยเนอะอันนี้มงคลจักรวาลใหญ่ทั่วทั้งใตโลกธาเลยมงคลจักรวาล น, น้อยคือสัพพุท ธ, ธามงค์มงคลจักรวาลใหญ่คือสิริสิติมติเตโชสิยาสิทธิมหิติมหาคุณาปเรมิตาปุญญาธิการัสะ พันธาายวานนาสมาธิสาวัโตนาโตสัมมาสัมพุทธะทว่วทิงสมภะปุริสกนาโนภาเวนะอชจติยานุพญัญชนะโนภาเวนะอทุตตัสตามังครานุภาเวนะชาพันังสียานุภาเวนะเกตุมารานุภาเวนะทัศปาลมิตานุภาเวนะทัศอุปปาลมิตานุภาเวนะสีนัสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิปทานุภาเวนะพระรานุภาเวนะ ยยะธรรมานุภาเวนะจตุรสีติสหัธรรมะขันธานุภาเวนะคุณแปดหมื่นสีพระธรรมขันธ์จตุรสีติสหัธรรมขันธานุภาเวนะนวโรกุตระธรมานุภาเวนะนวโรกุตระเท่าเก้ามรรคสี่คนีนิพพานหนึ่งด้วยอนิพพานนั้นขอจงเป็นูกว่าอย่างนั้นหรอกนวโรกุตระธรมานุภาเวนะอัตถังชิกามะคานุภาเวนะอัตถังชิกามะคาแปดหราดเพียรญาณุภาเวนะฉลาดเพียญาหก จะตัสัจจญาณุภาเวนะอริยสัจสีท้สระญาณุภาเนี่ยทศพลญาณสิบท้าพญุตยญาณุภาเนี่ยทพยุตยญาณของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเมตตากรนาวิเนต้าเปียขานุภาเนี่ยนะด้วยเมตตากรณาวิเนกขาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายสาปริตานุภาเนีย สัพปริททั้งหลายทั้งสิบสองตำนานเจตูสะจายานาทัทธพะรยานาอุพายสัพพุตยานาอุพายนาเมตตากรุณาเมตตาปิการนาสัพพะปริตาอุพายนาตนตนะตยัสเลนาอุพายนาตุยหังสุภโรกสโซกุปตะวะตุขโทนัสพายาสาวีนาสันตุสัพอันตรายาสาวีนาสันตุสัพพสังกปาตุยหังสเมตชันตุทีขายตาตุยหังโหนตุ นาตาวัฏสะชีเวนัสมังฮิกโกโหตุสัพทาอากาสปปัตตวะภูมิค uh ังคามหาสมุทาอารคกาเทวตาสะตาตุมให้อนุรักันตุพระวจุับพมังคังรักขันตุสัพเทวตาสพุทานุภาเวนะสัตตาสวดที่พระวันตุเตพระวจสับพมังคังรักขันตุสัพเทวตาสัพรมานุภาเวนะสัตตาสวดที่พระวันตุเตพระวจุซับพมังคังรักขันตุสัพเทวตาสัพสั้งคานุภาเวนะสัตตาสวดที่พระวันตุเตอยู่ทุกนาเธอ มดเท่านี้การให้พรในพระพุทธศาสนานี่ยมดเท่านี้เรียกามงคลจยักษวาลใหญ่มงคลจยักษวานน้อยหรอกพระพุทธา อไปพำนาพุ้โทไปเนอะวันนี้มีพี่น้องมามากล่องปูไม่ได้พักเลยเออไปไม่เป็นไรดอกทำไมมาหาพระจะไปหาผีตัวไหนโยมไม่มาหาพระจะไปหาผีตัวไหนเดี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ใครท่านท่านผู้ใดเป็นผู้ขับรถไม่ได้ขึ้นมาก็ตามบอกเขาให้เอาทางปลอดภัยอย่าเอาทางผืงผายเนอะค่อยไปเอาทางปลอดภัยเอาทางผืงผายไม่ดีครับรถ อ, อุบายใดมันปลอดภัยอุบายเอาอุบายนั่นละ่ะแล้วภาวนาไปด้วยเอาพระพุทธธรรมประสงค์ ข, ขึ้นขี่รถด้วยเนอะ เอาพรพุทธพมารสงขึ้นอยู่หัวใจด้วยนั่นแ่ะถ้าเดียถ่ายรูปเราไม่กินข้าวก็ได้นะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยนะไม่เอาหนังสือดอกหรือไม่เอาหนังสือดอกหรือไม่เอาหนังสือดอกหรื อ, อ, อ, อ, รอคืนมาเสียก่อน ไม่เอาหนังสือดอกหรือคืนมาเสียก่อนคืนมาเสียก่อนเว้ยไ ป, ไปถ้าไปแจกค่อยกันตัวโตวไปแจกค่อยกันไปนี่นี่นี่ห น, นังสือนี่หนังสือ